อริยธนคาถาธรรมยังอริยธนคาขาโายปนามเยาสยะสัทธาตถาคาเตอจล า, าสุปติทิตาสัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวศีลันจะยศสกัลายานางังอริยกันตังสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปัสโทยสัสสติอุชุภูทันจะทัสสนา ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงค์และความเห็นของผู้ใดตรงอัธริโตติตังอาหูอโมคันตสชีวิ ต, ตังบันฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมหันตสัสสมาสทันจศสิลันจา ปาสสะทางธรรมทัสสนังอนุยุนเชธเมธาวีสัรางพุทธานาสสนัง